ขอนอบน้อมพระรถนาใจขอาการพระจันยุกิพระจารย์จัดชัยพระจันทรงศินแล้วก็ขอาการเพื่อนสถามัทุกท่านะจะได้ในธรรมนะแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนที่นี่ก็มีทั้งกลุ่มซึ่งมาปฏิบัติธรรมจากอุตรดิตถ์แล้วก็กรุงเทพหรือว่ามาจากที่อื่นด้วยเนาะนะ ส่วนกลุ่มที่มาปฏิบัตินะวันนี้พวกเราก็ได้เดินกันมาจากถ้ำไฟวานมาสู่วัดป่าสุขโตนะไม่รู้แต่ละคนได้สังเกตดูตัวเองอย่างไรบ้างนะหรือว่าเราดูธรรมชาติจะมากกว่า อ, นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะประสบนะแตกต่างกันไปนะลองทบทวนดู ดูความรู้สึกของเราเองนะพอความรู้สึกว่าเราจะต้องได้เดินมาที่นี่นะในช่วงใบสองใบสามจะถึงใบสี่นะความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนนะเรามีความวิตกกังวลหรือเปล่านะบางคนก็รู้สึกว่าเราจะไหวหรือเปล่านอเราเป็นโรคไมเกรนเราเป็นโรคปวดหัวนะหรือเราเป็นโรคภูมิแพ้นะเราก็มีความ ขบใจเกิดขึ้นมาใช่ไหมหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทางมันไกลไม่เคยเดินรอนๆแบบนี้นะหรือไม่รู้ว่าทางจะเป็นแบบไหนนะเพราะไม่เคยมาที่นี้นะถ้าเราสำรวจดูใจของเราเองเออบางทีนะแค่ได้ยินได้ฟังว่าเราจะต้องเดินความคิดปรุงแต่งของเราก็เกิดขึ้นทันทีนะส่วนใหญ่ความวิตกมันจะเป็นในทางลบนะ ความวิตกคือเรียกว่ามันเกินจริงถ้าเราลองสังเกตดูจากที่เราได้เดินกับความคิดที่มันก่อนจะเดินเนี่ยมันบางทีมันมันหนักกว่าเนาะมันดูเหมือนจะร้ายกว่ามันจะแรงกว่าความวิตกมันก็เป็นเช่นนั้นถ้าพวกเราเคยสังเกตไหมบางทีความวิตกในชีวิตเราไม่ใช่แค่วันนี้มันก็มักจะเป็นเช่นนี้พอเวลาเราวิตกอะไรนะเราก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเป็นเรื่องที่ใหญ่ เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเราเองนะจนทําให้เราเกิดอะไรเมื่อเราเกิดความวิตกก็เลยทำให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นนะเราก็เลยเกิดความกลัวที่จะไม่กล้าทาตามสิ่งที่มันจะต้องทาในตอนนั้นนะหรือไม่อยากจะทาเพราะว่ากลัวว่ามันจะทุกข์กนละัวว่ามันจะลาบากกลันะวว่ามันจะไม่สบายนะพอเราเกิดความวิตกสิ่งที่ตามมาคือ ความกลัวเมื่อเกิดความกลัวมันก็เลยทําให้อะไรทําให้เราหยุดในการที่จะทาตามตรง น, นั้นเลยนะล้วก็กลัวที่จะไม่ทาเราก็เลยไม่ทาเลยเลือกดีกว่าไม่ทาดีกว่าอันนี้ไม่ใช่พูดถึงแค่เรื่องในการเดินในวันนี้นะแต่ในชีวิตของเรามันก็มักจะมีเรื่องเช่นนี้หลายอย่างนะในชีวิตที่เราคิดว่ามันทำลาบากนะมันยากนะ หรือมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายเราไม่ทำดีกว่าเมื่อไม่ทำแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคิดถูกแต่แท้จริงแล้วบางทีเราลองทบทวนดีๆบางทีอาจจะเป็นการคิดผิดก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเลยแต่เราคิดว่ามันทาไม่ได้หรือคิดว่ามันลำบากบางทีในชีวิตเรามักจะมีเช่นนี้อย่างหลายคนลองทบทวนดูเช่นสมมติเรื่องการปฏิบัติธรรมนะ หลายคนเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัติธรรมนะเมาอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนะเร า, า จ, จะเคยลองฝึกมาบ้างแล้วนะจิตใจไม่เห็นมาสงบเลยนะหรือทำไมมันปวดขามากนะทำไมเราต้องมาทรมานขนาดนี้ทำไมทางพ้นทุกข์มันถึงโรยไปด้วยขวาก้ําขนาดนี้นะทำไมไม่โรยด้วยกีบกรลาบละ่ะนะทไมมันมีแต่ ขวากหนามมีแต่ปลาลกชั น, นอุปสรรคต่างๆมากมายทําไมถึงมีเช่นนี้บ้างแต่ถ้าเรามองใน ด, ดีถ้าเราเอาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มาเป็นตัวปิดกั้นเนาะเราก็ไม่เอาดีกว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันเหนื่อยได้ยินคนอื่นเขาพูดหรือว่าได้ฟังมาได้อ่านมามันก็ลําบากเป็นเช่นนั้นแต่พอเราสังเกตดูในดีนะแม้มันจะลําบากขนาดไหนแม้มันจะเหนื่อยขนาดไหน นะแม้มาจะทุกขนาดไหนนะมันก็สามารถผ่านได้นะใช่ไหมทุกคนก็สามารถผ่านได้อย่างเราได้ภาวนากันมาสองสาวันก็จะดูว่าตอนที่มันง่วงมันก็ง่วงสุดๆจริงๆนะมันก็ง่วงสุดๆจริงๆแต่วันนี้เราก็ผ่านมาตรงนี้ได้ใช่ไหมความง่วงมันไม่ได้ทําให้เราตายเลยนะหรือบางทีเราก็มีความกลัวในชีวิตนะกลัวผีกลัวอะไรแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะอันนั้นที่จริง ความวิตกหรือความกลัวนี่มันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เราไม่รู้ทันสิ่งต่างๆเหล่ า, านีนะ้การที่เรามาฝึกสติเพื่อฝึกให้เราเห็นว่าอ้อใจเราวิตกไม่ใช่ห้ามไม่ให้มันมไม่มีตกนะนะเห็นว่าใจเรากลัวไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มันไม่กลัวนะอันนี้คือหลักสําคัญและการปฏิบัติธรรมเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้ตามความเป็นจริง เมื่อเรายอมรับเขาตามความเป็นจริงเราจะเกิดรู้จากสภาวะตรงนั้นเราจะศึกษาเราจะเรียนรู้จากสภาวะตรงนั้นว่าอ๋อความวิตกมันมีสภาพเช่นนี้เนาะทําทให้เกิดความปรุงแต่งต่างๆมากมายทําให้จิตใจของเราบางทีก็กลายเป็นใจเต้นใจสัน่นเกิดความไม่กล้าขึ้นม า, นาเกิดความท้อแท้ท้อถอยเราก็ได้เรียนรู้ว่าความวิตกกับความกลัวมันมีสภาพเช่นนั้น คราวนี้เมื่อเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วเราก็จะเห็นอ้อพอเขาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเรียนรู้ใหม่นะแต่บางทีเมื่อเราเลือกที่จะปิดกัน้นหรือเลือกที่จะไม่เรียนรู้เราก็เหมือนพยายามที่จะหนีหยู่ร่ำไปทั้งนั้นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้จากความทุกข์นี่แหละมันเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่คนทั่วไปคือทาตรงข้ามที่พรเจ้าท่านสอนก็คือว่าพยายามที่จะหนีทุกข์นะ ทำไงก็ได้ที่จะหนีจากความทุกนี้เสียเสียได้แต่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนคือท่านสอนให้เราเรียนรู้จากความทุกขเมื่อเราเรียนรู้จากความทุกขเราจะรู้ว่าเออสาเหตุของความทุกขมันเกิดจากอะไรทําอย่างไรถึงจะออกจากความทุกได้ความทุกมันก็มีวันผ่านไปเช่นเดียวกันอันเนี้คือถ้าเราเรียนรู้ตรงนั้นนะมันก็จะสามารถเกิดปัญญาในสภาวะตรงนี้ได้นะอันนี้เราก็สังเกตดูนะ บางคนก็เป็นเช่นนี้นะแต่อัตมาก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่เป็นนะหลายคนก็รู้สึกว่าอืมเราเคยเดินมามากกว่านี้เคยลำบากมามากกว่านี้หรือแค่นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือบางคนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปเลยไม่เป็นไรแม้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรก็ทําไปตามที่พระอาจารย์ท่านพาทำก็อาจจะมีอารมณ์แตกต่างกันไปเนาะแต่สิ่งที่นาพูดก็คงไม่ได้พูดแค่เรื่องของวันนี้เท่านั้น แต่ให้เราลองย้อนกลับมาดูสภาวะจิตใจของเราเมื่อเกิด็จะทาอะไรขึ้นมามันก็มีสภาวะเช่นเนี้ยไม่กลัวหรือบางทีก็เฉยเฉยหรือบางทีก็กล้าพร้อมที่จะรับมือเสมอมันก็จะออกมาในแนวตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้ว่ามีอะไรผิดนะแต่ถ้าเราเรียนรู้จากมันจริงๆเราก็จะเออยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับใจตรงนั้นแล้วคราวนี้เราเรามาดูอย่างสมมติอย่างเราเดินเนาะ เราเดินเท้ามานึกว่าแดดมันจะร้อนมันก็ไม่ร้อนอย่างที่คิดนึกว่าทางมันจะไกลก็ไม่ค่อยไกลอย่างที่คิดนะนึกว่าฝุ่นมันจะมากจะลาบากก็ไม่ได้มากอย่างที่คิดใช่ไหมบางทีเราก็กลัวความร้อนกลัวความลําบากแต่แท้จริงแล้วอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยนะคือความฟุ้งซ่านจะมากกว่าใช่ไอมไม่ใช่ว่าความทุกข์เกิดจากความเหนื่อยเกิดจากความร้อนแต่สิ่งที่มันหลงบ่อยที่สุดคือความฟุ้งซ่านของจิต <N> um> ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เราเดินมาจากถ้ามาไฟมาที่นี่หรอกแม้ในทางจงกรมของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคืออะไรความฟุ้งซ่านยกมือก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือความฟุ้งซ่านทาการทำงานอย่างอื่นทาครัวหรือทำงานอะไรต่างๆก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือความฟุ้งซ่านเราเคยรู้จักความฟุ้งซ่านไหมแล้วเรามีท่าทีอย่างไรกับความฟุ้งซ่านนั้นนะ เรมีท่าทีแบบไหนเราพยายามที่จะข่มมันไว้ไหมบางทีก็จะมีการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าพยายามข่มความฟุ้งซ่านข่มความคิดนะมั น, ม น, มนเคยเห็นเขาในโทรทัศน์นะที่เขาเหมือนมีเล่นเกมเหมือนอะไรอะพอมีอะไรโผล่ขึ้นมาปุ๊บคนที่เล่นเกมต้องไปเหยียบปับ๊บไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเพราะงั้นมันจะเสียคะแนนบางทีเราก็มักจะทําแบบนี้นะพอรู้สึกว่าอะไรโผล่ขึ้นมาจะเหยียบกดทันทีนะ ความคิดโผล่ขึ้นมาเหยียบกดทันทีข่มทันทีกลัวมันจะเสียคะแนนนะคืออันนั้นเขาเรียกว่าอะไรไปข่มความคิดนะจะเป็นความคิดโผล่ขึ้นมาเราพยายามข่มข่มมันไปอันนั้นเรียกว่าเป็นการกดข่มนะเป็นการบังคับเป็นการเพ่งเป็นการจ้องไว้นะแต่อีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทที่ว่าฟุ้งซ่านมาเหรอไม่รู้หรอกลอยไปตามความฟุ้งซ่านทันทีใช่หไหมความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้จากหลายทางนะเช่น ถ้าเรามาเรียนดูอ๋อฟุ้งซ่ามนมันไม่ได้ฟุ้งเฉยๆนะบางทีมันฟุ้งเพราะว่าตาเห็นรูปนะเดินไปเห็นต้นไม้ใจเราไปอยู่กับต้นไม้เดินไปนะเห็นในบ้านเขามีเด็กอ๋อใจเราไปคอเคียร์กับเด็กนะเดินไปด้วยมีหมามาเห่าใจเราเกิดความกลัวเกิดความไลไปกับหมาไปสิ่งกับสิ่งที่เรารักที่เราชังไปนะบางทีความฟุ้งซ่านมันเกิดจากตาที่เห็นรูป แล้วมันเกิดความคิดปรุงแต่งมันก็ฟุ้งซ่านไปอ๋อบางทีก็เกิดจากเสียงเดินไปได้ยินเสียงเพลงนะหรือบางทีได้ยินเขาคุยกันแล้วก็ไปสนใจในสิ่งที่เขาคุยกันอันนี้ก็อ๋อมันไหลไปทางทางหูแล้วนะหรือความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นกับทางกายนะกระทบกับความร้อนความแข็งกับความหนาวก็ดีมันก็เกิดการปรุงแต่งไปเราจะสบายไหมหรือไม่สบาย จะมีอะไรไหมอันนี้เราก็คิดปรุงแต่งไปอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นอายตนาภายนอกนะทางห้าทวารหรือบางทีแม้ก็ผุดในทวารทางอกนะมันไม่ใช่ที่หน้าอกนะแต่เป็นเรื่องของใจนะเป็นผุดขึ้นมาภายในเองมันฟุ้งซ่านแบบเหมือนไม่มีสาเหตุก็มีนะเรารู้สึกไหมมันเกิดขึ้นมาของมันเองไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลนะอยู่ๆมันก็คิดถึงเรื่องเพื่อน อ้าวเพื่อนมันก็คิดขึ้นมาของมันเองอยู่ๆมันก็คิดถึงเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วมันก็คิดของมันเองเราสังเกตไหมบางทีความฟุ้งซ่านถ้าจะแยกง่ายๆมันเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากอายตนะที่กระทบกับโรคในปัจจุบันนั้นทางตาหูจมูกลิ้นก็ดีและกายก็ดีแล้วก็ส่งผลถึงใจนะหรือบางทีมันก็เกิดจากการที่ใจผุดขึ้นมาของมันเอง มันผุดท่ามกลางความที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันผุดขึ้นมาของมันเองคพื่อมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเราเห็นเลยว่าความฟุ้งซ่านถ้าเราเรียนรู้จับมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปกดข่มเลยเมื่อเราเห็นสภาวะความฟุ้งซ่านของจิตอา้าวเราเห็นเลยว่าเมื่อเรารู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านว่ามันคิดไปความฟุ้งซ่านก็จบตรงปงตรงนั้นนะจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเราเห็นนะ มันก็จะตกลงไปตรงนั้นต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเรามีกําลังพอจะเห็นเลยนะหรือถ้าแม้กําลังไม่พอแต่นัดสติที่ไปรู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันก็ขั้นความฟุ้งซ่านชั่วคราวนะมันอาจจะมาปรุงต่ออีกในรอบต่อไปก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ทันอีกอา้าวแล้วก็มีสติใหม่อันนั้นการปฏิบัตินะกับการฟุ้งซ่านนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่คู่กันแต่การปฏิบัติทำแบบวิธีนี้ ไม่ใช่การขม่มความฟุ้งซ่านเป็นเหมือนเป็นการเหยียบนะเหยียบความคิดนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าลอยไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์แต่คือสภาวะที่เรียกว่าเรียนรู้จากความฟุ้งซ่านแล้วก็นะแล้วก็อะไรดูเขาเฉยเห็นว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะแต่มันไม่ใช่หรือถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะคล้ายๆเหมือน เหมือนลมที่พัดผ่านมาผ่านไปก็ได้นะมันพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความคิดก็เป็นเช่นนั้นอารมณ์ก็ไปเช่นนั้นเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เขาก็ผ่านไปนะหน้าที่ของเราคืออะไรนะเรารู้เขาแล้วนะเรารู้เขาแล้วเขาจะตกหรือไม่ตกไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบังคับนะแต่ถ้าเร า, าคิดว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราอยากจะให้มันดับไปอยากให้หายไปอันนี้คือเราไปสร้างความโกรธความฟุ้งซ่านนะ เป็นอีกต่อหนึ่งนะเป็นความหลงซ้อนความหลงนะเป็นความโกรธซ้อนความฟุ้งอันนี้คือสิ่งที่เราทําผิดดังนั้นหน้าที่เราแค่ดูความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับจิตนะแล้วก็เห็นความฟุ้งซ่านนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอันนี้คือแต่ถ้ามันเกิดสภาวะที่เรียกว่ามันมักจะไปต่อต้านผักใสหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าไปอยู่กับความฟุ้งซ่านนั้นเรามีกรรมฐานใช่ไหม เรามีการเดินก็ดีเรามีการยกมือก็ดีหรือกรรมฐานวิธีไหนก็ดีก็คือมาเป็นหลักให้เราได้กลับมาเช่นเรากลับมารู้สึกว่ากำลังเดินอยู่การเดินนั้นจะขั้นความฟุ้งซ่านภายในจิตทํำให้จิตกลับมาเป็นปกติได้การยกมือก็เหมือนกันแม้มันจะฟุ้งซ่านไปแต่เรามีหลักรู้สึกถึงการยกมือนะการยกมือนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ขั้นระหว่างความฟุ้งซ่านนะอันเนี้ยเป็นการขั้น ขั้นแต่แบบไม่ใช่ขั้นแบบปิดกั้นนะแต่เป็นการขั้นไว้ในปัจจุบันตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่เป็นการปิดเป็นการกั้นเป็นการข่มไม่ใช่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่าเราขึ้นมาแทกเขาแทะเขาเรื่อยเรื่อยนะเมื่อมันแทกได้ไบ่อยบ่นะความฟ่งฟ้านก็อ่อนกำลังลงไปเหมือนกับน้ำที่มันไหลบ่าเรื่อยแล้วก็เอากระสอบทรายกั้นทีละกทีลกระสอบสองกระสอบไปเลยก็กั้นไปนะแต่ไม่ใช่กั้นแบบปิดแบบขังไว้แล้วก็ กั้ำแพงกระสอบทรายถลมเหมือนน้าท่วมกรุงนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เป็นการกั้นแบบรู้จังหวะว่าอันไหนควรกั้นจึงในจุดไหนควรควรผ่อนแบบนั้นไปนะเพราะว่าถ้าเรากั้นแบบข่มอารมณ์มันจะเหมือนคล้ายบางทีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นสมมติความโกรธเกิดขึ้นเราพยายามที่จะแบบข่มไว้นะพยายามแผ่เมตตาพยายามอดกั้นพยายามแบบกั้นลมหายใจพยายามอดคิดนะมันเหมือนเราเก็บโกรธขึ้นมานะ พอเราหมดกําลังนะมันจะเหมือนมันจะเหมือนน้ำบาดาที่มันทะลักลงมานะเหมือนเขื่อนที่มันแตกนะเหมือนทำนบที่มันแตกมันถล่มทลายไปเลยนะดังนั้นสิ่งที่เราทํากับความคิดนะที่จริงความพรุงสร้างอาจจะแทนเรื่องของสังขารตัวปรุงแต่งกิเลสต่างๆด้วยก็ได้ก็คือมันมาในรูปของความคิดต่างๆนะหรือเรื่องของอารมณ์ก็ได้ก็คือว่าเราควรที่จะเรียนรู้นะอยู่กับเขา อย่างการเป็นผู้ศึกษาแล้วก็ดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะขณะที่มันอยู่มันมีอาการอย่างไรนะแล้วเรามีเหตุมีแบบไหนที่มันจะเรียกว่าถอนออกจากความเฟื่องฟ้าตรงนั้นได้เห็นไหมเรารู้เลยว่าความเฟื่องฟ้ามันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกดิ้นกายแล้วก็ใจนะเกิดขึ้นเช่นนี้มั น, นำดำรงอยู่เช่นไรนะมันดำดูแล้วก็พาเราหลงไปนะแล้วมันจะดับไปได้อย่างไรก็เนี่ยก็อากาศเกิดจากการที่เรารู้ทัน รู้ทันแล้วก็วางใจเป็นกลางกับความฟุ้งซ่านนั้นกับความคิดนั้นความคิดนั้นก็ดับไปก็หายไปก็หล่นไปอารมณ์นั้นก็หายไปดับไปด่นไปเช่นเดียวกันใช่ไหมเราก็เห็นมันอ้อเป็นเช่นนี้นี่เองหรือมันอาจจะมีกำลังก็ไม่เป็นไรก็วางใจเป็นกลางใหม่นะสภาวะที่เป็นกลางเนี้ยแล้วก็กลับมาหาสิ่งที่เรากำลังทําเป็นหลักนะเช่นเรามีกรรมฐ า, านในฐานกายแล้วก็กลับมาหากรรมฐานในฐานกาย บางคนคิดว่าเป็นการหนีอารมณ์นะแต่ไม่ใช่เป็นการหนีอารมณ์นะแต่เพียงแต่ว่าเป็นการตั้งหลักมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นปกตินะดังนั้นการทีบ่บางทีเราไม่ได้ดูสภาวะอารมณ์หรือดูความคิดโดยตรงก็ไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ใช่เป็นการหนีอารมณ์ไม่ใช่เป็นการหลบอารมณ์แต่เพียงแต่ว่าเรามาตั้งหลักกับสภาวะอารมณ์ที่เป็นปกติสภาวะอารมณ์ที่เป็นปกติคือเรื่องของกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่ง หรือเรื่องของรูปเนี่ยแหละที่มันทําอะไรเนะี่ยคือสภาวะที่เรากลับมาตั้งหลักแต่การหนีอารมณ์ก็คือการที่เราปฏิเสธที่จะรู้อารมณ์อะไรสักอย่างนะหรือบางทีเราไปเอาอารมณ์ภายนอกมาเป็นอารมณ์นะเช่นเหมือนที่เราหนีอารมณ์พุ่งซ่านหรอนะฟุ้งซ่านะาก็ทําตามมันบ้างหรือบางทีพุ่งซ่านก็พยายามที่จะข่มมันบ้างหรือบางทีก็เรียกว่าไปสนองอารมณ์อย่างอื่นนะเช่น บางคนนะสมมุติเกิดความโกรธเกิดขึ้นเขาพยายามที่ไปขุดดินไปอะไรต่างๆมันก็แก้อารมณ์แบบนั้นถามว่ามันก็ดีไหมนะมันก็ดีดีกว่าไปทําตามความโกรธแต่มันเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเราเบือ่อเราเบื่อแล้วก็ทนความเบื่ออตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดูหนังฟังเพลงใช่ไหมอันนี้คือเราก็เหมือนเสพอารมณ์อื่นขึ้นมาแทนเราอาจจะไม่เสพอารมณ์เบือ่อโดยตรงแต่เราไปเสพอารมณ์ที่มันสนุกสนานแต่เป็นความเพลิดเพลินภายนอก อนนันเราเห็นไหมบางทีเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวของจิตนะก็คือการที่เราไม่รู้ทันอารมณ์นี่แหละนะจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเราอย่าหนีความฟุ้งซ่านจงเปิดใจยอมรับความฟุ้งซ่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแล้วก็เรียนรู้จากความฟุ้งซ่านให้ดีๆเราจะเห็นว่าแต่ละวันเราฟุ้งซ่านมากมายขนาดไหนทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะความคิดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมา มันเกิดขึ้นของมันตามเหตุตามปัจจัยนะหรือบางทีเราก็ไม่รู้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นอย่างไรเราก็บางคนไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเกิดก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็ชอบเอาเหตุเอาผลพยายามไปย้อนไปย้อนดูก็ไม่เป็นไรรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็พอนะไม่เป็นไรบางคนไม่รู้ว่ามันเกิดทางตาเพราะตาไปเห็นรูปเลยเกิดราคาสมมตินะก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าราคะมันเกิดนะเราก็ยอมรับใช่ไหมบางคนไม่รู้หรอกว่ามัไปคิดนะ แล้วก็มันเกิดอารมณ์โทสะแล้วเราก็รู้ว่าอ้อโทสะมันเกิดตอนนี้ก็ได้คือบางทีรู้ไม่ทันตอนตั้งแต่มันเกิดเบื้องต้นแล้วก็รู้ทันตอนที่มันเกิดอยู่ก็ได้นะหรือบางทีมันดับไปอย่างไรนะแล้วก็พยายามเอ้ะมันดับไปตอนไหนวะตอนนี้มันหายไปแล้วสมมติอะโทสะมาหายไปแล้วมันหายไปตอนไหนอะพยายามไปย้อนหาว่ามันหายไปตอนไหนไม่จาเป็นนะก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีโทสะนะ คือรู้ลงที่ปัจจุบันเลยนะหรือว่ารู้ว่ากายกำลังทําอะไรต่อนี่ก็ได้อันนี้คือถ้าเราทําแบบเนี้ยเราจะอยู่กับสภาวะต่างๆได้การเดินทางนะในสี่กิโลมันก็จะเห็นเลยว่าโอ้จิตเราส่งออกไปทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายหรือว่าใจคิดอย่างไรต่างๆมากมายนะมันไม่ใช่แค่การเดินผ่านความร้อนของแดดไม่ใช่เป็นเพียงการเดินผ่านที่แปลกๆเท่านั้นนะไม่ใช่เดินเพียงแค่ ยกไปโยกมาบนสะพานนะแต่เราก็เห็นว่าขณะที่โยกใจเรารู้สึกแบบไห น, นกายเรารู้สึกแบบไหนใช่ไหมกายปวดหัวมันหวันไหวไปบางทีก็คิดปรุงแตกไปมันจะขาดหรือเปล่านอนาะมันมากเกินไปแล้วมันหมักมากเกินไปหรือเปล่ามันก็มีนะถ้าเรายอมรับความจริงว่าความคิดอราเป็นเช่นนั้นอ้อก็แค่ยอมรับเออไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใจเราเห็นว่าอ้อเออเราอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ความกังวลเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นอ้อมาเป็นเช่นนี้นอกความกลัว มันเป็นเช่นนี้นะความคิดมันเป็นเช่นนี้เนาะความกังวลอ่ะเราก็จะเห็นเราจะได้ประโยชน์จากตัว น, นี้แหละแล้วเมื่อเราเรียนรู้จักอารมณ์บ่อยบ่อยรู้จักความคิดรู้จักกิเลสต่างๆมากมายนะกิเลสที่เพิงเกิดขึ้นในช่วงปฏิบัติ7วันนี้มันก็จะไม่ต่างจากกิเลสที่เราจะเจอในอนาคตหรอกนะมันยังไม่หมดหรอกโยมนะยังไม่หมดนะเห็นครั้งเดียว2ครั้งมันยังไม่หมดนะหร อ, อกแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันมาอีกแล้วเราก็จะเห็นมันบ่อยเห็นมันชัดขึ้น เพราะว่าอะไรเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะเมื่อเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนะโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รื้อมันหรอกแต่เราเพียงแค่พอรู้จักมันนะเริ่มเรียกว่าเริ่มจับได้ได้ทันมันบ้างนะเริ่มสงสัยถูกตัวแล้วว่าไอานเนี้ยหัวขโมยไอนี่คือในช่างผู้ปลูกเรือน ปลูกความคิดปลูกความปรุงแต่งปลูกความทุกข์ให้กับเราเองอันนี้คือเรากลับมาเห็นตรงนี้นะแล้วในช่างผู้ปลูกเรือนนี่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ที่ใครเลยอยู่ในใจของเราเรในี่เองกลับมาเห็นว่าอ้อการวางใจไว้ผิดนะหรือการที่เราหลงไปนี่เองคือนายช่างผู้ปลูกเรือนนะปลูกความวิตกกงังวลปลูกการปรุงแต่งปลูกความกลัวขึ้นมาไม่ใช่ใครเลยนะมันเป็นที่ใจของเราเอง เมื่อาเราย้อนกลับมาเห็นตรงนี้ยมันจะได้ต้นต่อนะได้ต้นต่อของความทุกข์นะแล้วตรงนี้จะเป็นประโยชน์เป็นผลพราะได้มหาศาลกับชีวิตนะเราก็เรียนรู้จากตรงนีน้การที่เรามาปฏิบัติธทรรมนะเราจะบอกว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้หรอกมันได้นะได้หลายอย่างแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันได้บางทีมันอาจจะยังไม่เกิดจนรวมเป็นมรรคเป็นผลนะเป็นภาระที่เปลี่ยนแปลงทางจิตใจชัดเจน แต่เกิดจากการที่เราได้รู้จักตัวเองเนี่ยทีแรกทีละน้อยนะเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความโกรธของตัวเองเห็นความหลงของตัวเองไปเห็นความง่วงที่เกิดขึ้นจากแต่ก่อนที่เราเคยหลบลี้หนีหน้าเขา şey, ไม่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความทุกข์แต่ตอนนี้เราได้เผชิญหน้ากับความทุกข์เสียจแล้วนะต่อไปความทุกข์ก็จะเป็นคู่ซ้อมของเราต่อไปะจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับเขาต่อไป วันนี้เราอาจจะแพ้เขาอาจจะหลงไปตามเขาแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับเขาแล้วไม่เหมือนนักมวยที่มีจตจะหนีท่าเดียวแต่ตอนนี้เราเริ่มตั้งหลักปักที่จะสู้กับมันเสร็แล้ววันนี้อาจจะแพ้ไม่เป็นไรอาจจะหลงไม่เป็นไรแต่เราตั้งหลักที่จะสู้กับมันแล้วเนี่ยมันเป็นหลักที่สําคัญมากพอเราเริ่มที่จะเรียนรู้จากความทุกข์นะความทุกข์ก็คือการเรียนรู้กายแล้วก็ใจของเรานี่แหละนะหรือเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละ คือการเรียนรู้จากความทุกข์เมื่อเราเรียนรู้จากความทุกข์แล้วแน่นอนเดี๋ยวสักวันก็ต้องเห็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์เมื่อเราเห็นต้นตอสาเหตุของความทุกข์แล้วนะความพ้นทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นอริยมรรคก็ต้องเจริญแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่มันตามมานะเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักเรียนรู้ทุกข์นี่แหละนะแต่คนทั่วไปเนี่ยชอบหนีทุกข์ชอบสแสวงหาความสุขนะแต่ก็ไม่รู้จัก ว่าความสุขมันคืออะไรแท้ที่จริงแล้วบางทีความสุขที่เราแสวงหานะบางทีมันก็ดีเหมือนที่หลวงพ่อชาท่านพูดนะท่านบอกว่าบางทีความสุขอะเหมือนกับหางงูความทุกข์เหมือนกับหัวงูเราแสวงหาที่จะจับหางงูแต่ยิ่งโดนหัวงูมัมาฉกได้เร็วนะเพราะว่าพอไปจับหางงูมันฉกกลับมาทันทีพยายามที่แสวงหาความสุขนะแต่ก็แสวงหาไม่ได้ทันทีความมันได้เมื่ อ, อไหร่มันก็ โชกตดให้เราทุกทันทีใช่ไหมเราสังเกตไหมพอเรารู้สึกว่ามันสุขมันกลับสั้นๆแป๊บเดียวนะแล้วก็กลับจืดจางหรือกลายเป็นทุกทันทีเลยนะจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดความสุขแล้วถ้าพักมันก็จะเปลี่ยนเป็นความทุกทันทีอันเนี้ยเรากลับมาเห็นอ๋อแท้ที่จริงแล้วความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เกิดจากการที่ต้องไปคอยแสดงหาแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการแค่รู้จักความทุกข์อย่างแท้จริงความทุกข์มันตกไป นะมันดับไปแท้จริงอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าบรมสุขเป็นสุขที่เที่ยงแท้กว่าอันนี้คือเป็นหนทางที่เราควรจะเดินนะสิ่งที่เราควรจะทําดังนั้นการเดินทางในวันนี้ก็ดีหรือว่าการปฏิบัติธรรมนะในที่นี่หรือในที่ไหนไหนก็ดีหรือเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆก็ดีไม่เป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันทั้งนั้นนะเราอย่าไปแยกขาดจากกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงปฏิบัติธรรม ช่วงนี้เป็นช่วงไม่ปฏิบัติธรรมนะช่วงนี้เป็นช่วงอยู่วัดช่วงนี้เป็นช่วงไม่อยู่วัดนะช่วงนี้ฉันพอมีธรรมะช่วงนี้ฉันไม่มีธรรมะคือถ้าเราแยกแบบนั้นนะมันเหมือนคล้ายๆอะไรมันปฏจะภาวนาขนาดไหนเอาเป็นเอาตายขนาดไหนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรไม่เป็นการแบ่งแยกช่วงเวลาแบ่งแยกอารมณ์แล้วคือพอมันทําแบบนี้อารมณ์การปฏิบัติมันก็ไม่ต่อเนื่องนะ มันก็ไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อไปคิดว่าปฏิบัติแค่นี้ก็พอละแล้วก็ไปทําต่ออีกปีหน้าคอร์สหน้านะหรือว่ารอทําตอนก่อนจะนอนนั่นะคือการปฏิบัติธรรมมันมีช่วงพักมันมีช่วงเบรคมันไม่ใช่นะแต่ถ้าเราเรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงจะเห็นว่าอ๋อแม้แต่ความหลงก็ไม่ใช่เป็นช่วงขั้นนะในการทําให้เราเสียเวลานะเพราะความหลงมันก็นํามาซึ่งความรู้ มันไม่ใช่ว่าหลงมันไม่ดีแต่มันจะเห็นว่าเออหลงก็ดีดีที่เรารู้จากความหลงทุกข์มันก็ดีดีที่เราได้เรียนรู้จักความทุกข์แล้วก็เราเรียนรู้แบบใ น, นตลอดเวลาทั้งการภาวนาในรูปแบบทั้งการใช้ชีวิตนอกรูปแบบแล้วก็อาศัยเรียนรู้กายแล้วก็เรียนรู้ใจของเราแหละนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมก็ดีมันจะมีคติหนึ่งหรือว่า ม, มีตัว สิ่งหนึ่งที่มาเตือนก็คือเตือนให้เรากลับมาดูที่ตัวเองเป็นหลักเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นคนอื่นจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะย้อนกลับมาดูตัวเองนะคนอื่นอาจจะวุ่นวายคนอื่นอาจจะไม่รักษากดคนอื่นอาจจะเรียกว่าทําอะไรผิดศีลผิดธรรมไปเราก็ดูนะไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่เพียงเราจะกลับมาดูว่าความรู้สึกของเรามีปฏิกิริยาแบบไหนกับคนคนนั้นนะแต่ถ้าเราไม่กลับมาดูปฏิกิริยาของใจเราเราก็จะไปโทษว่า เ, ออเขาไม่ดีเขาทำผิดอะไรไม่เนะอมันก็จะลงไปดูคนอื่นไปเพ่งโทษคนอื่นแต่พอเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแท้จริงเนาะเราก็จะกลับมากลับมาดูตัวเองเป็นหลักนะแต่การเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเกง่งต้องต้องเก๊กกับสภาวะการปฏิบัติธรรมนะบางคนก็พอไปติดคำว่านักปฏิบัติธรรมหรือบางทีมาเชื่อว่าบางทีนักบวชหลายคนก็จะสึก เก่งกับสภาวะของนักบวชจะเป็นพระเป็นแม่ชีก็รู้สึกว่าเราจะทําผิดไม่ได้เราจะต้องแบบคิดผิดไม่ได้ที่จริงเราก็คนเหมือนกันทําไมอะทําไมเจะคิดผิดไม่ได้นะมันเป็นแค่ความคิดนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปยึดว่าอันนี้คือรูปแบบแล้วเมื่อนุ่งห่มขาวนุ่งห่มเหลืองแล้วหรือมาอยู่วัดแล้วความคิดผิดมันจะไม่มากับเรามไม่ใช่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานะมันมีอยู่แล้วในจิตในสันดานมันมีอยู่แล้ว จะนุ่งผ้าสีไหนจะโกนหัวหรือไม่มันเกิดขึ้นมาของมันเองนั้นนั้นเรายอมรับความเป็นจริงเลยว่าอ้อมันเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นอ๋อก็ยอมรับแค่นั้นสิไม่ต้องไปพยายามข่มว่าฉันเป็นพระฉันเป็นชีฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมคิดแบบนี้ไม่ได้อันนั้นคือการบังคับตัวเองไม่ใช่นะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็ดีเราเรียนรู้จากตัวเองอย่างแท้จริงว่าอ๋อมันคิดเช่นนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันคิดเช่นนั้นมันก็วางไปเลยแต่ถ้าเราพยายามข่มเราจะเครียดใช่ไหม เราคมแล้วเราจะเครียดเองแหละคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดแต่เราก็ไปเครียดเองนะเราไม่รู้ว่าเขาเราคิดไม่ดีกับเขาแต่เราก็มาทุกข์ใจเองดังนั้นสภาวะเช่นนี้มันก็มีมาว่าโย <c oughs> มหลายคนก็มีบางทีเรารู้สึกว่าเราละอายแก่ใจเราทำไมเราคิดกับคนนั้นไม่ดีเราบางทีเราไปมองเขาในแง่ลบนะมันจะรู้สึกว่าทำไมเรามีความคิดเช่นนั้นแต่พอเราไม่รู้จักาะความคิดเช่นนั้นเราก็เกิดความทุกข์เองเนาะ ดังนั้นเราไม่ได้ห้ามความคิดเราแค่รู้ว่ามันคิดเช่นนั้นมันก็วางมันไปเนี่ยใจมันเป็นใจมันจะเป็นกลางแล้วก็วางได้กับสภาพว่าเช่นนั้นนะแต่การมีสติมันก็ประกอบด้วยการมีศีลด้วยแหละนะคือมันเกิดความคิดไม่ดีเราก็ไม่ทําตามความคิดที่ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเออเมื่อมันคิดไม่ดีแล้วก็ต้องทําตามมันสิใช่ไหมมันจะได้เป็นการเก็บกดก็ไม่ใช่นะแต่มีสติคือมันต้องมีศีนมากับกํากับด้วยว่าอ้อ คิดไม่ดีจะไปทําร้ายคนอื่นอ้าวมาไปแค่ความคิดแต่เรายับยั้งที่วาจาแล้วก็ร่างกายของเราได้อันนี้มีศีลมากํากับนีมันก็เป็นส่วนประกอบแต่ตอนเมื่อถ้าเรามีสติที่ชัดเจนครั้งนี้สติมันไปกํากับศีลมันไปนเจตนาที่ไม่ทําผิดโดยไม่ต้องข่มใจไม่ต้องฝืนใจนะแต่ถ้ามันยังไม่มีสติชัดเจนก็อาจจะต้องข่มบ้างนะขม่มไม่ไม่ใช่ว่าข่มความคิดนะแต่มายถึงว่าข่มการกระทํา ให้ไม่ไปทําผิดตรงนั้นนะเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นแต่ถ้ามันเผลอไปแล้วไม่เป็นไรเช่นสมมติบางคนนะ่งไม่ทันเมื่อแต่ก่อนเคยชินอยู่ที่บ้านเนยุยงกัดมาปุ๊บก็ตบปั๊บทันทีมีความเคยชินนะเคยชินมากบางคนก็เสียใจไม่เราอยู่วัดเราเป็นตอนนี้เราปฏิบัติทำอยู่ทําไมตบยุงนะละอายแก่ศีลที่ผิดนะ แต่ตอนเป็นคาราวะาไม่ละอายนะรู้สึกมันแต่พอมาเป็นฟ้าเป็นชีเป็นโยมอยู่วัดแล้วก็รู้สึกว่าผิดศีลน่นะเราก็หลงไปเออกังวลทั้งท่านี้มันก็ตบไปแล้วผ่านไปแล้วใช่ไหมการตบยุงตอนอยู่ที่บ้านรู้สึกว่ามันสนุกมันมันมันไม่ผิดอะไรพอมาอยู่ที่วัดกับรู้สึกละอายแล้วก็ผิดนะ่ะทําไมล่ะเราทำไมให้ค่าการกระทําสิ่งเดียวกันต่างกันเพราะว่าเราไปติดสมมตินะ่ะติดว่าตอนนี้เราปฏิบัติธรรม ติดว่าตอนนั้นเราไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่ปฏิบัติธรรมทําผิดก็ไม่เป็นไรเมื่อปฏิบัติธรรมทำผิดก็เลยต้องเสียใจยใช่ไหมเราไปติดภาพสมมุติตรงนั้นแต่แท้จริงเราเราเห็นว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเราตบยุงก็คือมันขาดสตินี่แหละจะว่าเรานับเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ไม่เป็นก็แล้วแต่ก็คือเฉพาะที่ขาดสติรู้ไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําตามความความคิดตรงนั้นใช่ไหมอันเนี้ยเราเรียนรู้ที่จะรู้จักอารมณ์ ไม่ให้ข่มอารมณ์แต่ก็ไม่ให้ทําตามอารมณ์ที่มันที่มันผิดผิดอันนี้ยเราก็เห็นเพราะบางทีในการภาวนามันจะมีช่วงเวลาบางช่วงซึ่งมันมันจะเห็นความคิดหรือว่าความรู้สึกที่มันไม่ดีผุดขึ้นมาต่างๆมากมายแล้วเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆไอความระเกียร์ต่างๆมันแต่ก่อนเราเคยตังกเกียรนอื่นนะหรือบางทีเราคิดว่าเราเป็นคนดีพอสมควรแหละนะอาจจะไม่ดีโดยประเสรสิฐสีแต่ก็รู้สึกว่าฉันก็มีดีพอสมควร แต่พอมาเห็นความคิดอารมณ์ต่างในทางไม่ดีของตัวเองโอ้มันรู้สึกว่าทําไมเราหน้าสังเกตขนาดนี้ทําไมเราคิดไม่ดีขนาดนี้ทําไมเราโศกโผกขนาดนี้ไม่สมควรเป็นพระเป็นชีไม่สมควรเป็นคนเลยก็ได้วันทีนะรู้สึกว่าไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยนะแต่จริงถ้าเราเห็นว่าเราก็ยอมรับความจริงอ้อมันก็เป็นแค่ความคิดแล้วพอเรารู้ทันอ่ะมันจะเหมือนการที่ตะกรันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เรามีตะแกรงที่คอยตักตะกรนทิง้งอ๋อเห็น ก็ตักตะกรอนทิ้งตักตะกรอนทิ้งไปก็ไม่เห็นเป็นไรนะก็ยอมรับความจริงเป็นเช่นนั้นเนาะอย่าไปอย่าไปดังเรียดน่ยดังเกียรติเดียดฉันถ้าภาวะความคิดตรงนั้นมันก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆนะเป็นถภาวะความคิดเฉยๆก็ดูมันไปนะหรือบางทีปฏิบัติทำไปบางทีมันคิดเท่านี้มันคิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าคิดแต่เรื่องบุญเรื่องทานเรื่องสวรรค์เรื่องอดีๆทั้งนั้นก็มีนะบางคนก็ทําอะไรตาม ความคิดดีๆจนทั้งผิดกรรธิษฐาก็มีทําจนทั้งขาดสติก็มีนะอทําบุญจนคล้ายๆไม่สนใจหรอกเขาอยากจะได้หรือเปล่าแต่เราสนใจแต่ว่าเราอยากจะให้ <c oughs> จะให้ท่าเดียวใช่ไหมบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมอารมณ์มันดีฟุ้งธรรมะไม่รู้หรอกเขาอยากจะฟังแบบแต่ฉันอยากจะพูดะเธอฟังนะกลับไปที่บ้านก็พูดให้สามีมฟังก็พูดให้ลูกฟังก็ยัดเยียดธรรมะให้เพื่อนฟังจนเขารู้สึกว่า ทำไมนักปฏิบัติทำกลับไปเป็นเช่นนั้น <c oughs> ไม่รู้จักกาตรีสถานเหลือเกินนะ่ะบางทีก็มีนะ่ะอารมณ์บุญเราอยากเรารู้สึกเราได้อะไรดีๆรู้สึกเออของใหม่เอออารมณ์ขึ้นมาก็อยากจะจะเยีด ย, ด, ย, ด, ยดอะไรให้ใครไปนะ่ะมันก็มีนะ่ะมันก็มีเช่นนั้นนะบางทีเราก็ต้องรู้ทันเนะี่ยอ๋อมันเป็นความฟุ้งของจิตมันเป็นอารมณ์บุญเกิดขึ้นมาอ๋อมันเป็นชิ้นนี้เนาะเวื่อเรารู้จักมันนะมันก็จะอยู่ไม่นานหรอกแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันอ่ะมันก็จะเกิดนานนะสภาวะ เหอบุญก็มีสะพาว่าเหอความรู้ความเข้าใจเป็นวิปัสสนูก็มีนะเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้นะที่ละเอียดลึกซึ้งไม่เคยมีต ำ, ตำลัตำราครูบาอาจารย์ไม่เคยอธิบายเช่นนี้โอ้เราเข้าใจได้ไงนาะทาไมเรารู้สึกเหมือนได้เพชรแบบคล้ายๆรู้สึกเหมือนไม่เคยมีเพชรมีพลอยจะมีเพชรมีพล อ, อ, อยมาเป็นกองเนละโอ้รู้สึกมันมันร่ารวยความรู้แต่กเกินนะ มันอยากจะอวดอาจจะยากจะโชว์อยากจะพูดก็มีมันก็มีสภาวะเช่นนี้ถ้าเรารู้ทันอ๋ออันนี้วิปัสสนูความอยากสอนอยากบอกออยากแสดงมันก็มีนะเราก็เห็นถ้าเราเห็นเราเห็นมันก็มันก็จะค่อยดาวลงดาวลงดาวลงเอะไม่เป็นไรมันจะเริ่มรู้ว่าเอเอไอเพชรนี้เป็นเพ ช, ชปรปลอมไพอพลอยนี้เป็นพลอยปลอมนะมันเป็นความรู้แต่ไม่ใช่ความรู้ที่จะแก้ปัญหาได้จริงเพราะเป็นความรู้ที่มันพาฟุ้งเฉยๆพาอวด มันพายกตนข่มท่านมันพาทําให้เราหลงเฉยมันจะเห็นว่าอ๋อมันก็มันเกิดขึ้นจริงมันรู้จริงแต่มันยังไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงมันต้องอะไรของจริงมันต้องไม่หลงสิของจริงมันต้องไม่หลงอารมณ์ของจริงมันต้องไม่บ้าเหอยกตนข่มท่านของจริงมันไม่ไม่ใช่สร้างตัวตนให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมของจริงมันเป็นไปเพื่อความรู้ตัวไม่ใช่เพื่อความหลงตัวถ้าเรามีสติกลับมาเห็นเออแล้ววิธีอะไรที่ทําให้เรากลับมาได้บ่อยเนี่ยอย่าทิ้งฐาน รูปนามอย่าทิ้งฐานกายแล้วก็ใจตรงนี้ยกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจะอารมณ์ความคิดในทางอากศุศลความคิดในทางกศุศลหรือความรู้ในทางวิชาปัญญาต่าง ๆ, ๆก็ไม่เป็นไรเรากลับมาหาหลักที่เราทํำนี่แหละหลักตรงนี้จะทําให้เราโอ้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้ น, นเรื่อยๆนะกลับมาหาดักรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกับรู้ทันอารมณ์นี่แหละเห็นกลับมาเห็นตัวเองบ่อยๆกลับมาหาหลักอย่าคิดว่าเรา สบายแล้วนะอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าประมาทนะต้องกลับมาหาหลักบ่อยๆนะแม้มันจะมีสติเป็นอัตโนมัติแม้จะมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีความรู้เกิดขึ้นมีความเบาสบายตลอดเวลาเราก็อย่าประมาทต้องกลับมาหาหลักกลับมาทวนดูว่าอสภาวะรู้ตัวที่แท้จริงเป็นแบบไหนสภาวะซื่อเป็นอย่างไรสภาวะปกติเป็นแบบไหนสภาวะรู้กายเป็นแบบไหนสภาวะที่เห็นอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเรากลับมาดูไม่ใช่เป็นการคิดทบทวนนะแต่ กลับมาสัมผัสดูสัมผัสดูเออปัจจุบันนี้มันมีเคลื่อนเป็นแบบนี้อ่ะเราก็สัมผัสสภาวะตรงนี้นะคือกลับมาสัมผัสที่ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นนะนี่คือวิธีที่จะแก้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ท, ที่เล่าให้พวกเราฟังนะเพราะบางทีถ้าเราตั้งใจเดินจริงๆไม่จเจอแต่ถ้าตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเดินจริงก็ไม่เจอหรอกมันจะมันก็แปรแแท้แค่ กับความหลงกับความง่วงกับความท้อกับความถอยนะก็จะใส่เกียร์ถอยหลังท่าเดียวนะมาครั้งนี้แล้วก็ไป ม, มาอีกแล้ววันนี้ก็มีพอแล้วนะธรรมะมันยากเหลือเกินก็มีนะมันง่วงเหลือเกินมันคิดมากเหลือเกินมันหนักเหลือเกินมันก็จะมีเกียร์ถอยหรือก็เกียร์กลับหลังเท่านั้นนะมันกลับหลังหันนะแต่ถ้าเราไม่กลับหลังหันนะถ้าเราไม่ถอยมันเจอแน่สภาวะ พ, พวกนี้นะ แต่เราเจอแล้วเราจะผ่านันได้ถ้าเรามีสติถ้าเรามีหลักในการภาวนานะก็ฝากไว้กับทุกคนนะที่ที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ลนะ้วก็ให้ได้ใช้หลักตรงนี้ในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะในทุกวันทุกเวลาต่อไปนะ